ก่นอบน้อมดอศสัจธรรมมันมีมาก่อนทุกาศาสนาในโลกขอกราบบูชาพระรัตนตรยัยพระเทรานุเถระเพื่อนสาธรรมิกขอเจริญพรแม่ชีญาติโยมฟังตามสบายนะไม่ต้องตั้งใจฟังมากก็ได้นะขอให้เน้นให้เรารู้สึกตัวตลอด สิ่งที่ฟังนี่เป็นสิ่งที่มาเสริมสิ่งที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกให้เราทาคือให้เรารู้สึกตัวก็อาตมามาคุยวันนี้ก็เพราะว่าอาอจารย์ไฟสารท่านบอกว่าอยากให้เล่าประสบการณ์ในช่วงที่เราได้อยู่ดูแลหลวงพ่อเนาะก็จริงๆแล้วต้องออกตัวก่อนว่าอาตมาไม่ใช ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้เพราะว่าเป็นคนพิเศษของหลวงพ่อหรือว่าเป็นคนที่สนิทกับท่านหรือว่ามีความจาเพาะเจาะจงว่าต้องเป็นอาตมานะแต่บังเอิญว่ามาอยู่ในจุดนี้ในช่วงที่มาแล้วได้ช่วยพอดีก็เลยก็เลยได้อยู่ในกลุ่มของพระสงฆ์กลุ่มหนึ่งที่ที่ถวายการดูแลหลวงพ่อเนาะในกลุ่มหลักๆแล้วจริงๆคนที่ดูแลหลวงพ่อหลักๆ ก, ก็คือพระจันโน้ตกับพระจันทรุ้ม ที่ดูแลมาตลอดเจ็ดเดือนเนี่ยอาตมาตามมาหลังสุดนะก่อนหนะ้าอาตมาก็มีท่านอาจาราที่เข้ามาอยู่ในทีมนี้แล้วก็จริงๆแล้วการดูแลหลวงพ่อนี่ก็อาตมาว่าคนดูแลได้ประโยชน์มากกว่าให้นะสําหรับตัวอาตมานะก็เล่าสู่กันฟังนะว่าเป็นยังไงบ้างาหลายๆคนอาจจะรู้ว่าหลวงพ่อท่านท่านอาพาธแต่ว่าไม่รู้ว่ากิจกรรม อะไรเกิดขึ้นบ้างในกุฏินั้นนะเพราะส่วนใหญ่ห ล, หลายคนก็อาจจะไม่ค่อยได้เข้าไปจะลองเล่าให้ฟังนะว่าเหตุการณ์แต่ละวันเนี่ยมันประมาณไหนปกติแล้วเนี่ยหลวงพ่อหลวงพ่ออาจจะตื่นประมาณตีสีเนาะตีสแล้วก็ทีมงานพระสงฆ์เราที่มาดูแลก็จะเริ่มมาตั้งแต่ก่อนนะหน้าที่หลักๆของอาตมาเนี่ยคืออาตมาช่วยพระอาจารย์ตุ้มท่านเตรียมยาถวายหลวงพ่อเนื่องจากหลวงพ่อท่าน มีมะเร็งที่มันโตที่คอพอมะเร็งโตที่คอเนี่ยมันเลยไปบล็อกทางเดินหายใจแล้วก็หลอดอาหารเพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็เลยต้องเจาะคอเพื่อหายใจเจาะท้องเพื่อรับอาหารทีนี้อาหารที่ถวายท่านก็เลยต้องเป็นของเหลวทั้งหมดแล้วก็ใส่สาย่างยาทั้งหมดอาหารทั้งหมดก็ถูกทําให้เป็นของเหลวแล้วก็ถวายท่านโดยตรงนะเข้ากระเพาะเลยหลวงพ่อฉันเราถวายท่าน ปกติแล้ววันละสี่มื้อนะเมื่อก่อนเนี่ยทุกๆหกชั่วโมงหกโมงเช้าเที่ยงหกโมงเย็นแล้วก็เที่ยงคืนนะและทุกมื้อก็จะมียาก่อนอาหาร <c oughs> จำนวนมากนะ <c oughs> เป็นทั้งยาบํารุงเป็นทั้งยาแผนปัจจุบันแล้วก็ยาก่อนอาหารและยาหลังอาหารเพราะฉะนั้นก็จะมีงานค่อนข้างเยอะในแต่และ ว, วันแล้วหลวงพ่อก็ต้อง <c oughs> ก็ต้องอยู่ในสภาพนี้มาตลอดนะ เจ็ดเดือนทุกวันตอนเช้าหลวงพ่อต้องทาแผลทาแผลทุกเช้านะที่คอและท้องทําแผลทุกเช้าและเย็นในแต่ละวันบางครั้งที่โรคภัยมันคุกคามเยอะก็มีความเจ็บแต่เหตุการณ์นี้ก็ต้องเกิดขึ้นทุกวันหลวงพ่อก็จะต้องนอนเป็นหลักแล้วก็มีคนมาทำอะไรกับท่านเยอะแยะไปหมดเลยเพียงเพื่อให้ร่างกายท่านมันไม่แตกสลายไปโดยเร็ว ถามว่าท่านมีทางเลือกไหมท่านก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะต้องเป็นอย่างนี้แต่ทีมผู้ดูแลผู้ดูแลนี้ก็มีทั้งพระสงฆ์นะทั้งแม่ชีอย่างเช่นแม่ชีวิ้ก็เข้ามาประจำทั้งโยมที่อยู่ที่วัดประจํานี้ก็เข้ามาช่วยดูแลทําความสะอาดกุฏิทําอะไรต่างๆ่านั้นนะคือมีทีมทีมหนึ่งเลยที่เหมือนก่อตัวขึ้นมาเพื่อเพื่อดูแลท่านนะราดมาก็เชื่อว่าทุกคนได้ประโยชน์ มากกว่าที่ได้ให้ประโยชน์โดยส่วนตัวอาตมาเนี่ยมีหลายเรื่องนะที่อาตมาไม่มั่นใจก่อนที่จะมาที่นี่นะเดิมทีอาตมาไม่ได้อยู่ที่นี่นะอาตมามาที่นี่เพราะว่าอาตมามีมีสิ่งที่ค้างคาใจในการปฏิบัติมีคำถามบางอย่างแล้วก็ตั้งใจที่จะมาใช้โอกาสสุดท้ายเผื่อจะมีโอกาสที่จะหาคำตอบ มาถึงอาตมาก็มาเองนะมาโดยที่ไม่ได้บอกกล่าวใครขุน ผ, ผันรุปเข้ามาเลยแล้วก็ไปไปหาท่านที่วัดภูเขาทองไปแล้วก็ในช่วงแรกเนี่ยช่วงแรกที่อาตมามาเมื่อประมาณสามเดือนที่แล้วเนี่ยตอนนั้นหลวงพ่อค่อนข้างอาการหนักกว่านี้หนักกว่าไม่ใช่นี้แล้วเนาะตอนนี้ไม่มีอาการแล้วนะหนักกว่าช่วงหลังๆ ตอนที่ท่านช่วงนั้นเนี่ยคอท่านจะบวมมากอาจารมามาครั้งแรกนี่ประมาณสี่วันนะที่อาจารมาไม่เห็นท่านออกมาจากห้องห้องพักเลยท่านนอนอย่างเดียวแล้วก็รับออกซิเจนเกือบตลอดเวลาประมาณวันที่ห้าเนี่ยอาจารมาถึงได้กราบท่านแต่ก่อนหน้านั้น อ, มามาาาอาจารย์มาก็ก็มากราบเรียนอาจารย์ตุ้มอาจารย์โน้ตว่าผมตั้งใจมาปฏิบัติแต่ว่าในระยะนี้ถ้าอาจารย์มีอะไรให้ผมช่วยผมผมพร้อมจะช่วยพร้อมจะ ทำอะไรก็ได้อะไรเงี้ยอานามาก็เลยได้ได้ช่วยอาจารย์ตุ้มในบางเรื่องนะเรื่องทาํายาหลังจากนั้นประมาณห้าวันก็ถึงถึงได้มีโอกาสกราบท่านนะแล้วเราก็ลังเลนิดนหน่อยหน่อยนะว่าเราจะอยู่ที่นี่ยังไงอะไรเงี้ยเพราะก็เข้าใจว่าหลายคนก็คงได้เข้ามาแล้วก็พอมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อท่านเขียนเขียนถึงอานามาว่าเออพระรูปนี้ที่เดินไปเดินมาแถวนี้ทุกวันเนี่ยน่าจะมาช่วยดูแลพระ ป, ระป่วยได้ แล้จน้นอาตมาก็เลยค่อยใจชื้นนิดนึงว่าโอเคเราพอจะอยู่ตรงนี้ได้เนาะแล้วเวลาทํางานอันนี้เนี่ยอาตมาก็มองมันว่าเป็นการปฏิบัติเสมอตลอดเวลาที่เราปฏิบัติด้วยการรับใช้กูบาอาจารย์เนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่ามันเป็นการใช้เวลาที่มีคุณค่านะสำหรับอาตมาเวลาเราทํางานทําอะไรก็ตามเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นงานมันคือการฝึกตัวเอง แต่ที่สำคัญที่ได้เห็นจากการมาที่เนี่ยคือคำตอบที่อาจจะมาสงสัยสุดท้ายประมาณผ่านไปประมาณเดือนครึ่งมั้งหลวงพ่อท่านอาการดีขึ้นหลังจากกลับมาที่สุขโตท่านเริ่มเริ่มนั่งได้เริ่มเขียนอะไรโต้ตอบกับคนได้เยอะขึ้นอานมาก็เคยเขียนเล่าให้ท่านฟังถึงสิ่งที่ที่เป็นและสิ่งที่สงสัยนะ เขียนไปเยอะมากนะโยมประมาณหกเจ็ดหน้านะเวลาเขียนอะไรเยอะๆนี่โยมรู้จักโยมหมูทุกคนใช่ไหมโยมหมูก็จะมองอาตจมานะว่าครูบาจะให้หลวงพ่ออ่านหมดนี่เลยเหรออันมาก็ไปกราบท่า น, นแล้วก็ยืนให้ท่านแล้วก็บอกว่าถ้าหลวงพ่อมีเวลาว่างๆเมื่อไรหร่หลวงพ่อค่อยอ่านเล่นๆนะครับแล้วถ้าหลวงพ่อมีอะไรแนะนําก็ค่อยเป็นตอนนั้นหลวงพ่อรับเสร็จปั๊บหลวงพ่ออ่านใบแรกนะ แล้หลวงพ่อก็วางแล้วหลวงพ่อก็อ่านตอนนั้นเลยอาดมาก็เห็นท่านอ่านอย่างตั้งใจอยู่พักหนึ่งแล้วอาดมาก็เลยกราบท่านอีกทีแล้วบอกหลวงพ่อครับอย่าอย่าเพิ่งอ่านเลยเอาไว้เวลาหลวงพ่อบ้องว่างดีกว่าเพราะว่ามันเยอะผ่านไปมันอาทิตย์หนึ่งอาตมาก็ไปเอาคืนมาสุดท้ายเราก็ไม่ได้ถามนะสิ่งที่สงสัยจะถามแต่ว่าอาดมาได้คําตอบเกิดอาดมาสงสัยว่า มันมีจริงๆไหมการไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยเราจะเคยได้ยินคําพูดเนี้ออกจากปากท่านแล้วก็ท่านก็แสดงให้เห็นตลอดนะแต่ว่าพอเวลามาจริงๆแล้วเนี่ยเราพบว่ามันมีอะไรมากๆเลยกับท่านเนี่ยอาการของหลวงพ่อที่อาจจะมาเจอนี่อาจจะมารู้สึกว่าเหมือนคนคนหนึ่งที่ถูกขังอยู่ในตัวเองเรารู้นะว่าท่านตาหูจมูกลิ้นกายของท่านเนี่ยอืม ตาท่านยังเห็นอยู่นะรับรู้โลกภายนอกรู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่หูท่านก็ไม่ค่อยได้ยินนะจมูกเลิกใช้หายใจไม่ได้หายใจทางทางท่อที่คอนะเพราะฉะนั้นเรื่องกลิ่นเรื่องการหายใจแม้แต่การหายใจเพื่อให้ชีวิตรอดอยังเป็นสิ่งที่ยากนะสำหรั บ, ลบหลวงพ่อลิ้นก็เลิกเรื่องการรับรู้รสนะกลืนอะไรไม่ได้ไม่มีไม่มีเรื่องของรสชาติอีกแล้วนะ แม้แต่น้ำลายหลวงพ่อก็ไม่กลืนอาหารทั้งหมดเข้าที่ท้องแล้วก็อะไรที่เป็นเสเลตต้องขับออกมาบางทีก็ออกทางปากมีก็ออกทางท่อเนาะกายก็อ่อนแรงลงไปเรื่อยๆนะส่วนใหญ่หลวงพ่อก็จะนอนนอนประมาณ9ก้าสิบห้าเปอร์เซนขึ้นไปของวันนะแต่ก็จะมีโยมบางคนก็จะมาบอกโอ้ยเห็นหลวงพ่อในทีวีเห็นในเฟซุ๊หลวงพ่อออกไปเดินหลวงพ่อออกไปทํากิจกรรมได้ซึ่งมันจริงนะ แต่มันเป็นช่วงสั้นๆแล้วก็ภาพอันนั้นก็เป็นภาพที่น่าสนใจก็ไปลงในในสื่อแต่คนก็จะคิดว่าท่านเป็นอย่างนั้นจริงแล้วส่วนใหญ่ของอิริยาบถหลวงพ่อก็คือการนอนแม้แต่นอนหงายก็นอนแทบไม่ได้นะท่านต้องนอนตะแคงเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าศักยภาพของชีวิตก็อยู่ในขั้นลำบากนะแต่ศักยภาพของความเป็นคนของท่าน มันไม่มีปัญหาเลยนะเท่าที่อาตมาอยู่มาตลอดเวลานะอาตมาพบว่าท่านเป็นคนคนหนึ่งที่นอนเฉ ย, เฉยแต่ไม่เหมือนคนป่วยนี่คือสิ่งที่อาตจจมาเห็นนะและหลายคนก็จะพูดว่าหลวงพ่อดูแลเรามากกว่าเราดูแลหลวงพ่อซึ่งจริงมากๆนะโยมหลวงพ่อจะมีอาการเจ็บแค่ไหนก็ตามท่านก็ไม่เคยไม่ใช่ว่าท่านไม่เจ็บนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่แสดงออกให้เรารู้ว่าท่านเจ็บนะ อย่างเช่นเวลาไปทำแผลอย่างเงี้ยมาสังเกตดูเห็นก็เวลาหลวงพ่อคอบวมมากๆนี่มันจะเจ็บเวลาทําแผลหรือเวลาเราดูแลท่านเนี่ยท่านจะแสดงอาการให้เรารู้ว่ามีความเจ็บเกิดขึ้นกับกายแต่ว่าท่านไม่เคยโวยวายหรือหงุดหงิดหรือฟึดฟัดหรือว่าแสดงอาการให้รู้ว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วหรืออะไรเงี้ยเหมือนที่ใครก็ตามจะเป็นถ้าเกิดเจ็บขนาดเนี้ยท่านก็แสดงว่าวันนี้เจ็บเจ็บมากจนบางวันทําแผลไม่ได้ก็มี ท่านก็แค่บอกว่าวันนี้เจ็บไม่ทําแล้วก็จบไปหลายๆครั้งที่หลวงพ่ออาจจะปวดท้องรยนะบางทีเป็นวันนะกว่าที่เราจะรู้ว่าจริงๆหลวงพ่อเจ็บมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่เราเราดูไม่ออกเพราะท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะแลท่านก็นานๆทีท่านจะสื่อสารลงมาเพราะฉะนั้นอาดมาก็ได้เห็นคนคนหนึ่งที่ต่อสู้กับอาการยากๆนะที่เกิดขึ้นกับกายด้วยความเป็นปกติมากๆ ตลอดระยะเวลาหลายๆเดือนนะแล้วก็เป็นคนที่รู้ด้วยว่าสุดท้ายของการต่อสู้อันเนี้ยตายได้แน่ น, นเคยมีโยมมาเยี่ยมมากราบท่านเนาะโดยที่ไม่รู้จักท่านมากนะมาถึงก็มาเขียนถามนะเป็นโยมผู้หญิงนะมาก็อยู่ตรงนั้นเขียนถามว่าหลวงพ่อเป็นยังไงบ้างป่วยเป็นอะไรเลอแต่น้ําเสียงไม่มีนะมันเป็นการเขียนนะมาอาจจะใส่เวอร์ไปหน่อย แตเขียนประมาณนี้หลังจากเขาก็ยิ้มแย้มนะเพราะวันนั้นช่วงนั้นหลวงพ่ออาการค่อนข้างดีคือท่านนั่งได้อาจมาเห็นหลวงพ่อยิ้มยิ้มแล้วก็เขียนตอบว่าเป็นมะเร็งตายแน่นอนไม่มีทางหายเขาก็อึ้งนิดนึงนะแต่หลวงพ่อก็ทําอย่างนั้นแหละแล้วก็ยิ้มยิ้มเออเท่านี้นะบายๆหรืยมีอีกครั้งหนึ่งมีโยมมาจากที่ไหนไม่รู้แหละมากราบหลวงพ่อแล้วก็ไปไปคุยกับาจาันโนต ว่าโอ้ยอยากได้ของดีของหลวงพ่อแต่นี่คืออะไรของดีของดีพอดีที่บ้านมีคุณแม่ป่วยเป็นมะเร็งอยากจะได้ของดีเพื่อที่เผื่อว่าอาการจะดีขึ้นอาจารย์โนบอกโอ้ยไม่ต้องห่วงโยมหลวงพ่อก็เป็นมะเร็งนะ่ะหลวงพ่อก็กำลังจะตายเหมือนกันโยมไม่ต้องกลัวหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลวงพ่อก็นั่งยิ้มๆนะคือมันไม่มีปัญหาอะไรกับชีวิตที่จะจบ และถ้าเราปฏิบัติไปประมาณนึงเราจะรู้ว่าความเข้าใจว่าชีวิตที่จะจบแปลว่าอะไรนสําหรับคนธรรมดากับสําหรับคนที่เดินทางมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคนที่เริ่มรู้ก็จะเข้าใจว่าคําว่าชีวิตมันจบเป็นยังไงแต่คนที่ไปไกลกว่า น, นั้นอีกมันก็จะเปลี่ยนไปนะจนกระทั่งวันนึงเราอาจจะเป็นแบบหลวงพ่อว่ารู้จริงๆว่าจริงๆแล้วชีวิตมันเป็นยังไงและชีวิตที่จบจริงๆแล้ว มันจบจริงๆเหรออาดามาอยู่ในกลุ่มของคนที่ช่วยดูแลหลวงพ่อเนี่ยอยาจะบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่บางครั้งก็ตื่นเต้นมากๆนะโยมบางครั้งก็สบายสุดๆเลยบางครั้งก็เหมือนไม่มีอะไรนะและอยู่ดีๆก็มีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องรับมืออย่างปัจจุบันทันด่วนเช่นเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเป็นประจำคือ เมื่อหลวงพ่อเริ่มมีแรงนิดนึงท่านจะออกเดินทางนะท่านจะหันมาแล้วก็เขียนบอกโยมหมูว่าไปภูเขาทองนี่คือคนป่วยที่แบบเมื่อวานนอนสมนะวันนี้พอมีแรงนิดนึงหมอบอกว่าหลวงพ่ออย่าเพิ่งไปไหนนะหลวงพ่อต้องนอนพักในความหมายของหมอคือช่วงนี้ร่างกายภูมิต้านทานต่ํามีบางช่วงนะที่หลวงพ่อภูมิต้านทานต่ำมาก พร า, ารับยาบางตัวที่มันจะกดภูมิดานฐานและมีโอกาสที่จะติดเชื้อและป่วยถ้าป่วยก็จะมีปัญหาเยอะหลวงพ่อก็รู้นะแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจเท่าไหร่หรอกว่าไหนหลวงพ่อมีแรงหลวงพ่อก็ใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้คิดว่านี่คือป่วยอยู่ต้องนอนสมเผื่อว่าวันพรุ่งนี้จะดีขึ้นอธิมาคิดว่าหลวงพ่อไม่คิดอย่างนั้นนะเมื่อมีแรงหลวงพ่อก็ทําสิ่งที่หลวงพ่อคิดว่าคนคนหนึ่งจะทํา หลายหายครั้งหลวงพ่อพอมีแรงท่านออกมาเดินจงกรมนะออกมาดูกระรอกกิจกรรมหลักๆที่หลวงพ่อชอบมากนะคือมาดูกระรอกที่มาท่านให้อาหารกระรอกไว้ที่หน้าคุณมาลดน้ําต้นไม้อยามานั่งอยู่ข้างนอกเฉยๆบางทีก็มีหลวงตากลมมาท่านก็นั่งนั่งชี้โน่นชี้นี่ให้หลวงตากรมดูเอาไม้เกี่ยวเกี่ยวอะไรบางทีเราก็จะบอกว่าต้นไม้เนี่ยลดไปแล้วนะแต่เราก็จะแต่หลวงพ่อก็จะไม่สนใจนะท่านก็จะ ถ้าก็จะทำกิจวัตรที่ท่านจะทําและกิจวัตรใหญ่ๆของหลวงพ่ออันนึงก็คือท่านจะเดินทางไปวัดภูเขาทองก็ไม่ได้ไปดูอะไรมากนะท่านก็ไปที่สาลาน้ําใสซึ่งยังสร้างไม่เสร็จท่านก็ไปดูว่ามีอะไรที่ควรจะต้องทําอะไรอย่างเงี้ยแล้วบัดีท่านก็ไปนอนที่นั่นเฉยๆพอสักพักหนึ่งก็กลับเมื่อคนก็อาจจะมาก็จะคิดบอกบางทีก็เหมือนหลวงพ่ออยากไปเที่ยวเฉยๆแหละผมว่านะอาจารย์โน้ต ท่านคงเบื่อแหละซึ่งก็อาจจะเราอาจจะคิดไปเองว่าท่านเบื่อแนละท่านคงไม่ได้เบื่อแนละ้วแต่ท่านมีเหตุผลที่ท่านจะไปแล้วเวลาท่านไปเนี่ยหลายๆครั้งกลับมาท่านก็จะอาจจะมีเลือดออกในบริเวณคอเนาะบางทีมันมีท่อที่อยู่ข้างในบางทีมันกระเทือนเยอะนะและโยมก็จะเห็นใช่ไหมว่าถนนที่ไปจากที่นี่ไปสู่วัดภูเขาทองมันเป็นมันไม่ใช่ถนนลูกรังนะมันเป็นถนนแบบสมบุกสมบันมากนะถนนเส้นนี้เป็นหลุมเป็นบ่อเดี๋ยหลวงพ่อก็ไม่ได้สนใจแนละ้วท่านก็ ก็คือกิจวัตรที่ท่านคิดจะทำท่านก็ทาแต่ถ้าท่านไม่มีแรงท่านก็พักแต่าบางครั้งหลวงพ่อก็พักสามวันสี่วันห้าวันก็มีแล้วก็พอมีแรงก็ออกวันหนึง่งใช้หมดเกลี้ยงนะแล้วกลับมานอนต่ออีกห้าวันนี้เป็นเรื่องประจำนะแต่ถามว่าหลวงพ่อแสดงอาการให้เห็นไหมว่าโอ๊ยจะตายแล้วก็โอดโอยแล้วก็พร่มเพ้อถึงอดีตไม่มีสักนิดนะ หลายครั้งที่เราจะอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแล้วเราก็จะมองท่านนะแล้วก็ดูว่าเฮ้ยหลวงพ่อนอนอยู่หรือว่าหลวงพ่อหลวงพ่อหลับอยู่หรือว่าหลวงพ่อตื่นรู้ไหมหลวงพ่อเวลาท่านนอนนะเราจะรู้ทันทีว่าหลวงพ่อตื่นหรือหลับด้วยการที่สังเกตอาการที่ร่างกายท่านถ้าท่านตื่นนะท่านจะนอนบอดีมือท่านจะท้าอย่างนี้เนาะท่านจะกระดิกนิ้วเพื่อประคองความรู้สึกตัวตลอดเวลานะถ้าเราถ้าใครได้ไปใกล้ๆจะเห็น ไม่งั้นท่านก็จะขยับมือหรือแม้แ้่ท่านก็จะนอนแล้วก็กริกขาเล่นๆ น, นะแทบจะตลอดเวลานะแล้วเราจะรู้สึกว่าเฮยขนาดเราเป็นลูกศิษย์เป็นผู้เดินทางเนาะยังไม่ถึงไหนเลยเรายังไม่ขยันเลยแต่ในขณะที่ท่านอยู่อย่างนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าท่านทำเยอะกว่าเราอีกและท่านก็ประคองความรู้สึกตัวตลอดเวลาเป็นเรื่องปกตินะเราจะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ท่านนอนเมื่อไหร่ท่านเมื่อไหร่ท่านหลับหรือว่าเมื่อไหร่ท่านตื่น ในการดูแลหลวงพ่อเนี่ยกิจวัตรตั้งแต่เช้าถึงเย็นเนี่ยมันจะมีมีอะไรต้องทําตลอดแล้วก็มีคนที่ทําอะไรกับหลวงพ่อตลอดเช่นบางช่วงก็ต้องถวายน้ำนะบางช่วงก็จะมีท่านเหล่าซื้อฟู่มาให้รู้ไหมว่ามีพระจีนท่านเหล่าซื้อฟู่มาให้กําลังภายในพลังชี่หลวงพ่อทุกวันวันละหนึ่งชั่วโมงนะหลวงพ่อก็จะนอนแล้วก็พอท่านให้เสร็จปั๊บท่านก็จะหันมาไหว้ขอบคุณทุกครั้งนะ พอตอนเย็นๆสักประมาณบ่ายสามโมงท่านก็จะไปส่งน้ําตอนเย็นครั้งหนึ่งพอส่งน้ําเสร็จออกมาก็ได้เวลาทําแผลอีกครั้งหนึ่งทุกเช้าทุกเย็นนะทำแผลเสร็จก็ถวายอาหารถวายอาหารเสร็จท่านก็จําวัดจำวัดเสร็จพอตอนก่อนเที่ยงคืนก็ถวายยาอีกแล้วก็ถวายอาหารรอบเที่ยงคืนก็จะเป็นอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นกิจวัติอัอนเนี้ยถ้าพูดถึงว่าหลวงพ่อเหนื่อยไหมถ้าท่าน ถ้าพูดถึงอาการของท่านอนุมาก็คิดว่าท่านก็เหนื่อยแต่ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธหรือว่าไม่เคยบอกว่าอันนี้ไม่เอาแล้วพอหรือว่ามีใครมามาอยากจะให้อะไรหลวงพอ่อถ้าเกิดว่าถวายท่านแล้วท่านก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างนี้ไม่เคยมีนะท่านอนุโมทนาขอบคุณไหว้ทุกคนที่ทําอะไรสักอย่างให้ท่านนะอนุมาก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วท่านเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับเสมอสําหรับหลวงพอ่อ มีหลายครั้งนะที่หลวงพ่ออาตมาก็รู้สึกว่าท่านไม่ได้เครียดกับชีวิตเลยนะบางีท่านก็แกล้งคนดูแลก็มีนะอย่าตามาเคยนะไปถวายยาท่านเนี่ยครั้งแรกนะเมื่อก่อนจริงๆอาตมาเมื่อก่อนทํายาอยู่ข้างนอกนะพอครั้งแรกที่เข้าไปในห้องนั้นเชื่อไหมบางทีโยมมาแล้วก็รู้สึกว่าเห็นหลวงพ่อแล้วก็อยากจะเข้าไปให้ใกล้ที่สุดอยากจะเข้าไปหาท่านในกุฏิอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาแล้วก็ คืออยากจะเข้าไปให้ได้เนี่ยและหลายครั้งมันก็เป็นเป็นปัญหาเหมือนกันนะถ้าทุกคนเข้าไปนึกออกไหมถ้าอาการของหลวงพ่อในะอยู่ในช่วงติดเชือ้อแล้วก็คนจำนวนมากเข้าไปหาท่านเยอะๆเนี่ยมันก็มีความสุ่มเสี่ยงเพราะฉะนั้นก็จะมีโยมคนหนึ่งโยมหมูเนยอย่างเงี้ยนะโยมหมูก็จะรับหน้าที่เป็นผู้เฝ้าประตูนะและหลายคนก็จะรู้สึกโอยไม่ชอบเลยป้าคนนี้ทาไมต้องมาคอยไล่ฉันตลอด เข้าไปนิดเดียวก็ไม่ได้นะไอเสร็จถ้าไปไอข้างในนิดนึงก็จะโดนว่าอย่างหนักเลยยอมรู้ไหมว่านี่เป็นสิ่งจําเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้หลวงพ่อไม่ต้องทุกข์มากจนเกินไปนะถ้าคนมาเยี่ยมมากเกินไปบางทีก็ท่านก็เหนื่อยถามว่าทำไมท่านเหนื่อยเพราะว่าทุกครั้งเวลาใครเข้าไปท่านก็ต้อนรับนะท่านก็ไม่เคยปฏิเสธหลายครั้งอาจมาก็สังเกตดูว่า วันนี้เป็นช่วงที่ท่านเหนื่อยหรือว่าเป็นช่วงที่ท่านไม่มีแรงแต่พอมีพระอคันตุกะหรือว่าคนที่คุ้นเคยกับท่านมาเนี่ยบางทีท่านก็ลุกขึ้นนั่งเพื่อรับเขานะซึ่งจริงๆแล้วมันเหมือนเป็นอาการเล็กน้อยแต่มีผลต่อหลวงพ่อแล้วพอออกไปพอคนที่มาเยี่ยมมีความสุขได้กราบหลวงพ่อได้สนทนาได้อะไรได้ล่าลากันบ้างอะไรบ้างซึ่งหลวงพ่อให้ความสาคัญตรงนี้พอเขากลับไปปับ๊บอาตมาก็สังเกตดูหลายครั้งหลวงพ่อก็เหนื่อยไปเลยนะ ก็มีผลต่อหลวงพ่อแต่ท่านก็ทําเพราะฉะนั้นการที่มีคนมาคอยช่วยช่วยช่วยดูบ้างในบางครั้งเนี่ยก็ดีอย่าตามาเนี่ยอาตมามาเนี่ยอยู่กับหลวงพ่ออาตมาจําได้ว่าประมาณเกือบเกือบประมาณสามอาทิตย์หรือเกือบเดือนเนี่ยอาตมาถึงได้เข้าไปในห้องนั้นนะก่อนนั้นอาตมาพยายามจะไม่เข้าไปมีอะไรอาตมาก็จะส่งให้ให้ท่านอาจารลาหรือว่าให้อาจาร์โน้ตให้พระอาจาร์ตุ้มท่านเอาเข้าไป อย่ครั้งแรกที่อาดามาเข้าไปถวายยาท่านเนี่ยเวลาถวายยาก็จะใช้เขาเรียกว่าไซลิงนะเหมือนเป็นเข็มชิดยาใหญ่ๆนะแล้วก็เทหลวงพ่อก็รู้อาดมาไม่เคยทำนะแล้วก็เก้ะก๊กลางๆนะพอจะถวายรับท่านบอกเฮ้ยยังเช็ดแอลกอฮอลก่อนอาดมาลืมนี่แนตะ่ก็บอกนะแล้วท่านก็นั่งยิม้มยิ้มนอนยิม้มยิ้มนิดนึงแต่ท่านก็ไม่ว่าเลยนะพะออาดามาทําเสร็จปับ๊บเก๊ก๊กังๆนี่นะท่านพอเสร็จแล้วท่านก็ยิ้มให้แล้วท่านก็ยกมือไหว คือเวลาใครมาทำอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะให้กําลังใจเขาครั้งแรกๆอัญมาเคยเปลี่ยนทิ้วปหายใจหลวงพ่อเนี่ยซึ่งต้องเปลี่ยนทุกสามชั่วโมงนะโยมทุกสามชั่วโมงต้องเปลี่ยนอี่ทีหนึ่งแล้วบางช่วงที่เจ็บคอมากๆเนี่ยมันก็จะเจ็บมากอัญมาก็เคยเปลี่ยนนะครั้งแรกเปลี่ยนให้หลวงพ่อด้วยความเกรงมากๆนะครั้งแรกท่านไม่เจ็บท่านก็ยกนิ้วให้อพอครั้งที่สไปเปลี่ยนเท่านั้นแหละบิดนิดนึงนะหลวงพ่อสะดุ้งเลยนะ ท่านเจ็บท่านก็ฮแต่ท่านก็ไม่ได้ว่าเลยท่านก็เฉยๆอาตมาก็หันไปมองอาจารย์ตุ้มจะรนุมกไม่เป็นไรเอาใหม่อนาตมาก็ลองอีกครั้งหนึ่งนะด้วยความเกรงกว่าเดิมปิดอีกทีหลวงพ่อก็อึดอีกทีหนึ่ง <c oughs> ก็เลยหันไปหาพระอาจารย์ตุ้มว่ายังไงดีอาจารย์ตุ้มเปลี่ยนมือดีกว่าครับให้อาจารย์ทําเถอะหลวงพ่อก็นอนเฉยๆท่านก็ไม่ว่าอะไรเลยนะอนาตมาเชื่อว่าถ้าอนาตมากลับเข้าไปทําอีกท่านก็คงไม่ว่าอะไร เพราะว่าทุกคนมันต้องฝึกให้ทำเป็นเผื่อมันต้องทำนะท่านไม่ว่าอะไรเลยแต่สุดท้ายแล้วอาดมาก็ไม่เคยพยายามจะไม่เข้าไปในจุดนั้นอีกนะมันก็ไม่เคยทำอีกแต่ก็จะเป็นอย่างนี้นะหลวงพ่อก็จะให้กำลังใจคนที่มาทำงานให้ท่านเสมออย่างพยาบาลที่มาดูแลหลวงพ่อท่านจะไม่เคยเรียกว่าพยาบาลท่านจะเรียกทุกคนว่าหมออย่างทีมคุณหมอที่มาดูแลหลวงพ่อนะอยูรู้ไหมว่ามีคุณหมออย่างน้อยเท่าที่อาดามารู้นะเจ็ดโรงพยาบาล ที่มาช่วยกันดูแลและยมคิดดูนะว่าการรักษาหลวงพ่อหลายๆพยาบาลหลายๆคุณหมอนะแต่ละคนมีความสามารถไม่เฉพาะทางไม่เหมือนกันแต่ทุกคนหวังดีแล้วสอดรับกันดีและทุกคนก็มีกระบวนการรักษาที่ตัวเองมีไว้ในใจให้น้ําหนักไม่เท่ากันแล้วศรัทธาหลวงพ่อแล้วก็คนที่คาดหวังหรือตั้งความหวังในการดูแลหลวงพ่อเนี่ยก็เยอะคนที่หนัก คือพระอาจารย์โนต้ตที่เป็นคนเหมือนเป็นศูนย์กลางที่คอยประสานกับคุณหมอทั้งหมดแล้วก็จะมีกลุ่มลายกลุ่มหนึ่งนะที่เขาตั้งท่นตั้งขึ้นมาแล้วก็เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราก็จะอาจจะถ่ายรูปหรือเขียนรายงานเขียนเล่าไปแล้วก็ทุกคนคุณหมอทุกท่านก็จะช่วยกันดีมากนะในการที่จะให้ข้อมูลหรือว่าให้ความเห็นหรือว่าให้ข้อเสนอแนะว่าเอ๊ะตรงนี้น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งเป็นกระบวนการที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะอนามาคิดว่า แล้วในบางครั้งอาจารย์โน้ตก็ต้องเป็นผู้ประสานในความเห็นที่ต่างกันบ้างของคุณหมออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอาจารย์โน้ก็จะเป็นคนที่งานหนักมากๆหลายๆครั้งนะอาจจะมาพบว่าอาจารย์โน้ตต้องคุยกับคุณหมอถึงสี่ทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่นี้เป็นประจํานะเพื่อบางทีเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเล่าให้ฟังว่าอาการหลวงพ่อเป็นยังไงหรือว่าเพื่อหาข้อสรุปที่ดีที่สุดในการรักษาย เพราะฉะนั้นบางคนอ า, อาจจะมาก็เคยได้ยินบางคนพูดว่าว่าเหมือนมีพระอยู่ไม่กี่รูปเองที่ดูแลหลวงพ่อเลยจริงๆแล้วมีมีทีมอีกเยอะมากเลยที่ดูแลอยู่ด้านหลังและทุกคนก็ทําด้วยใจนะรวมทั้งญาติโยมที่นํายาหรือสมุนไพรหรืออะไรก็ตามที่ตัวเองคิดว่าดีที่สุดเนี่ยมาถวายซึ่งส่วนนี้อาจารย์ตุ้มก็จะเป็นเป็นหลักในการดูแลนะและหลายๆครั้งก็จะมีโยมที่มาแล้วก็ด้วยความหวังดีก็จะอันนี้ดีมากเลยนะอาจารย์ต้องใช้นะต้องใช้เดี๋ยวนี้นะ ต้องใช้เป็นอย่างแรกเป็นอย่างที่สําคัญที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งโยมก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันมีอย่างเงี้ยเป็นสิบนะแล้วก็คนที่ประสานตรงเนี้ยเชื่อไหมว่าอาตมาก็ศรัทธามากๆนะอาจารย์ตุ้มนะอาจารย์โน้ตในการทําตรงนี้เพราะมันไม่ใช่งานง่ายเลยแล้วท่านก็ไม่เคยที่จะทําให้คนมารู้สึกว่ารู้สึกเสียกําลังใจที่มาทั้งใ น, นที่หลายๆอย่างบางทีก็เป็นเรื่องยากที่จะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้อันนี้ยังไม่ใช่อะไรเงี้ย เพราะฉะนั้นการดูแลหลวงพ่อเนี่ยมันมันเป็นทั้งเป็นทั้งการดูแลตัวหลวงพ่อเองและดูแลศรัทธาของคนที่อยากจะช่วยดูแลหลวงพ่อด้วยและหลายครั้งก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในระหว่างการดูแลก็ที่คับขันก็มีบางครั้งก็เป็นเหตุการณ์ที่ทําให้ให้กลุ่มคนที่ดูแลก็ก็กังวลก็มีนะในบางครั้งนะน้อยมากนะแต่คนดูแลกังวล ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนอื่นอาจารย์โนอาจารย์ตุ้มเท่าที่อาจจะมาดูไม่เคยเคยกังวลเดีย๋ยวว่าอาจารย์โนก็จะธรรมดาเพราะฉะนั้นก็บางทีเล่าสู่กันฟังก็ให้ให้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการดูแลหลวงพ่อมีคนจํานวนมากที่ดูแลหลวงพ่อมีคนไม่กี่คนที่อาจจะเราจะเห็นบ่อยๆแต่ว่าจริงๆแล้วมีคนอีกจํานวนมากเลย ท, ที่ที่ลงแรงมาช่วยตรงนี้แล้วก็อาจมาก็เชื่อว่าทุกคนก็ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต สิ่งหนึ่งนะกลับไปจากการดูแลท่านมีคนชอบถามอาตมาว่าอยู่ใกล้ๆหลวงพ่อแล้วได้อะไรบ้างอาตมาโดยส่วนตัวแล้วอาตมาไม่ได้ไม่ได้มาหาหลวงพ่อเพราะว่าเพราะว่าความรักนะไม่ได้มาเพราะว่าความความรักที่ท่านเมตตาหรือว่าที่ท่านเป็นคนที่ปลูกต้นไม้เยอะๆหรือว่าเป็นคนที่สร้างวัดหรืออะไรอย่างงี้ไม่ไม่ได้ความรักแบบนั้น อาตมามาหาหลวงพ่อจริงๆแล้วเพราะว่าท่านเป็นผู้รู้เพราะว่าเส้นทางเนี้ยมีคนที่รู้จริงๆไม่มากและถ้าเราคิดว่าเราจะเดินทางนี้นะไม่ว่าเราจะเป็นพระหรือเป็นโยมหรือเป็นแม่ชีหรือเป็นใครก็ตามนะคนที่เป็นมนุษย์ที่คิดจะเดินทางเนี้ยต้องมีครูอาตมาก็มีครูและหลวงพ่อก็เป็นครูอีกท่านหนึ่งของอาตมา เรามาเก็บอารมณ์ที่นี่ปีที่แล้วนะเป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกหรอกแต่เป็นครั้งครั้งที่ได้เจอหลวงพ่อ น, น, นานๆนะก็ได้นอนการกดอยู่ใกล้ๆท่านมาการกดด้วยนะสี่สิบวันพอปฏิบัติไปแล้วมันพอมันเกิดบางอย่างขึ้นเนี่ยพอเราไปกราบหลวงพ่อแล้วก็ไปถามท่านว่าสิ่งนี้คืออะไรเนี่ยเวลาที่เราได้คำตอบที่ทำให้เรามั่นใจว่าคนนี้รู้เนี่ย รู้แล้วพร้อมจะพาเราไปถ้าเกิดว่าเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยและให้กาลังใจเวลาเราท้อแท้อะไรอเราจะรู้สึกว่านี่คือคนที่มีคุณค่าที่เราควรจะได้พบและทุกคนน่าจะมีโอกาสได้พบหลายคนก็มีโอกาสได้พบท่านนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ความรักนะที่ควรจะเก็บไว้แต่เป็นสิ่งที่ท่านสอนนะแลวเอาไปทา อาาก็มาเพราะว่าอาตมาอยากจะพบคนคนนี้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้พบเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ใกล้ชิดท่านขนาดนี้นะแต่ด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างก็ทําให้ทําให้มาอยู่จุดนี้แล้วอาตมาก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าอาตมาไม่ใช่คนสนิทไม่ใช่ลูกศิษย์รักไม่ใช่คนพิเศษนะเป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่มาทําหน้าที่เฉยๆแต่สิ่งที่อาตมาได้ มากที่สุดเลยคือความมั่นใจว่าเส้นทางเนี้ยทําให้คนคนหนึ่งเป็นอิสระได้จริงๆสำหรับคนไม่ปฏิบัติที่ยังไม่ได้ปฏิบัติอะไรมากมายหรือว่าคนที่เพิ่งเริ่มก็ความศรัทธาต่อหลวงพ่อจะเป็นศรัทธาแบบหนึ่งนะศรัทธาว่าท่านคงเป็นพระอริยะท่านคงจะมีบุญคุณต่อโลกกราบท่านแล้วโลกคงจะได้บุญอะไรอย่างนี้ย แต่ว่าพอคนปฏิบัติไปพักนึงแล้วเราจะรู้ว่าท่านเป็นผู้แนะนำแต่สำหรอาจจะมาหรือว่าไม่ใช่ว่าจะมาปฏิบัติได้ไกลนะแต่ว่าไปสักพักหนึงอาจมารู้สึกว่าสำหรับอาจมาแล้วท่านกลายเป็นผู้ที่ยืนยันให้อาจารมาเชื่อจริงๆได้ว่าว่าคําพูดที่ท่านพูดอ่ะท่านเป็นจริงๆคําพูดอมตะมากเลยนะไม่เป็นอะไรกับอะไรเนี่ยนีย่ยที่บอกอะไรๆเกิดขึ้นกับท่านเยอะมาก แล้ก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่เจ็บแต่ท่านไม่ทุกข์แล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านท่านพอใจหรือไม่พอใจนะแต่ท่านรับได้ไม่ว่าใครจะทําอะไรในช่วงท้ายแม้แต่วันสุดท้ายของท่านอรมาก็เชื่อไหมว่าไม่มีใครรู้สึกก่อนนั้นนั้นว่าว่าท่านกําลังจะวันนี้คืออาการท่านหนักมากจนกระทั่งเป็นวันสุดท้ายแล้วแต่รู้ว่าอาการท่านหนัก ก่อนหน้านั้นสองอาทิตย์โดยประมาณท่านก็เคยก้อนเนื้อก้อนเนี้ ย, น เ, นยเคยโตจนกระทั่งมันบล็อกทางหายใจแล้วท่านจริงๆท่านหยุดหายใจไปแล้วนะครั้งหนึงและครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่วิกฤตมากพอสมควรประมาณ3นาทีได้มั้งแต่พอทางมันทางหายใจมันเปิดท่านก็กลับมาหายใจครัง้งและท่านก็เป็นปกติมากท่านไม่มีอาการที่รู้สึกว่านี่คือคนที่เพิ่งเฉียดความตายอะไรมาเลยท่านเหมือนสลบไปประมาณ3นาทีนะ จนปากเริ่มม่วงนะครั้งนั้นนะ่ะแล้วพอท่านฟื้นมาท่านเขียนหาเขียนเล่าให้โยมหมูฟังบอกว่าไปเที่ยวภูฐานมาเขียนแบบอารมณ์ขันนะไปเที่ยวภูฐานมาที่นั่นอากาศน้อยมากเราเป็นคนไทยต้องใช้ออกซิเจนเยอะอยู่ภูฐานหายใจไม่ค่อยออกอยู่เมืองไทยดีกว่าอะไรประมาณเนี้ยซึ่งพวกเราทุกคนกังวลว่าหลวงพ่อไม่หายใจสักพักหนึ่งคุณหมอก็กังวลว่าสมองท่านจะมีปัญหาไหมแล้ว พอเห็นท่านเขียนอย่างนี้ก็นั่งยิ้มกันว่าหลวงพ่อยังล้อเล่นกับความตายได้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงนะและหลังจากนั้นอีกสองอาทิตย์ท่านก็ปกติไม่มีไม่มีอาการว่าโอ้ยใกล้ตายมากแล้วน่ากังวลหรือว่าอะไรทั้งสิ้นนะเป็นธรรมดาจนกระทั่งวันสุดท้ายอย่างที่เราก็รู้กันนะอาการของหลวงพ่อที่อาจารย์นโ น, นและอาจารย์ตุ้มท่านเล่าให้ฟังมันก็เป็นแบบนั้นแหละ <c oughs> อามาก็เล่าเล่าสู่กันฟังนะในบางส่วนที่ที่ได้เห็นนะเผื่อว่าบางคนอาจจะอยากเห็นภาพนั้นบ้างภาพที่อยากจะบอกให้เห็นก็คือว่ามีคนคนหนึ่งนอนเป็นระยะเวลานา น, านๆนะมีคนมาทำอะไรกับตัวเขาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีคนมาเยี่ยมเขาเต็มไปหมดเลยแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะตายแต่เขาไม่เป็นอะไรเลยนะแล้วก็ไม่ว่าจะรักษาท่านดีหรือว่าไม่ดีท่านก็ไม่ว่า ไม่ว่าจะทําท่านเจ็บหรือว่าทำให้ท่านไม่เจ็บท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรนะและแม้เราจะทําผิดท่านก็ขอบคุณแม้เราจะทําพลาดบ้างนะท่านก็ขอบคุณแล้วก็วันที่ท่านไปก็เป็นเครื่องยืนยันให้คนที่อยู่และเห็นว่าเออการจบชีวิตแบบนี้งดงามดีแลวท่านก็บอกบ่อยๆว่า ทุกคนก็ทำได้ถ้าทาและท่านก็บอกแล้วว่าทำยังไงมาตั้งนานแล้วนะและสิ่งที่ท่านบอกก็ถูกเก็บไว้ในคลังมัลติมีเดียของโลกเรียบร้อยแล้วหน้าที่เราก็คือทำตามก็มขอให้มั่นใจนะว่าว่าเราเคยเจอคนคนหนึ่งที่ทำได้จริงๆและท่านก็บอกบ่อยๆว่าเราทำได้เหมือนกันก็ขอจบเท่านี้เนาะ